ตั้งอยู่ตรงบรรจบแห่งแม่น้ำคงคาและยามุนาเป็นแคว้นที่เก่าแก่มากแคว้นโกสนตั้งอยู่เหนือกาสีมีอาณาเขตไปจนถึงฮิมาลัยบรรพตมีแคว้นสักยะอยู่ทางทิศเหนือโกริยะอยู่ทางทิศ ต, ตะวันออกโกศลเป็นอาณาจักรใหญ่ยิ่งในสมัยพุทธกาลคู่แข่งกับมคคมีรัชธานีชื่อสาวัตถี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 ไม่ใช่ราชาที่ปไายเพราะไม่มีใครดำรงตําแหน่งพระราชาอย่างเต็มที่กษัตว์ทุกพระองค์มีอํานาจในการปกครองเท่าเทียมกันหมดและปกครองโดยสภาแต่ก็ไม่ใช่ประชานที่ปไายเพราะประชาชนไม่มีส่วนในการปกครองด้วยอํานาจในการปกครองอยู่ที่คนพวกเดียวคือพวกกษัตย์ที่เรียกว่ากษัตย์ลิศชวี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 เป็นแคว้นที่ขึ้นชื่อลือนามเรื่องมีพันม้าดีแคว้นวิเทหะเป็นแคว้นโบราณที่มีความสำคัญมากมีเมืองหลวงชื่อมิทริราแคว้นโสวีระเป็นเมืองท่านครหลวงชื่อกรุ ก, กะหรือโรรุวะเป็นเมืองที่พ่อค้าเดินทางจากแคว้นทั้งหลายรวมทั้งแคว้นมคตนาของมาเพื่อส่งไปขายทางเรือ แคว้นมัตะนครหลวงชื่อสาคละเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งครั้งพุทธกาลไม่สู้มีเรื่องราวอะไรมากแต่เวลาที่อเล็กซานเดอร์ลุกลานอินเดียเมืองนี้ต่อสู้เข้มแข็งมากมัตะมีชื่อเสียงมากในทางมีขัตติยานีที่มีคุณสมบัติดีแคว้นต่างๆที่กล่าวมานี้ในสมัยอโศกได้ขึ้นอยู่กับแคว้นมคธแล้วก็มี